เราจะออกพรรษาแล้วนะหลายคนอาจจะรู้สึกครุ้ม อ, อกครุ้มใจนะเพราะว่าพอพรรษาแล้วก็อาจจะสกขาลาเพศออกไปหรือว่าได้ไปท่องเที่ยวอย่างที่ได้คิดนึกเอาไว้ก็ให้เรา ตามดูรู้ทันความรู้สึกนั้นนะถ้ามันมีความดีใจก็ให้เห็นความดีใจข้างในอย่างที่เด็กอายุ8ขวบนะได้บอกเราอาจารย์ประสงค์นะอย่างที่เล่าได้พูดไปเมื่อวานนี้เด็ก8ขวบนี่เขาดีใจเขาก็เห็นว่าข้างในกำลังดีใจเ้าไม่ได้รู้สึกว่าตัวฉันดีใจนะ แต่เขาเห็นข้างในมันดีใจอันนี้มันต่างกันทีเดียวนะฉันดีใจกับข้างในดีใจนะมันต่างกันไอข้างในดีใจนี่คือเห็นเห็นความดีใจที่มันเกิดขึ้นภายในแต่ถ้าฉันดีใจนี่มันเรียกว่าเป็นเข้าไปแล้วนะเป็นผู้ดีใจไปแล้วบางทีการเห็นความดีใจคลุ้ม อ, อกคลุ้มใจเนี่ย อาจจะเห็นได้ยากกว่าเห็นความโกรธความหงุดหงิดเพราะว่าเวลาเกิดความโกรธความหงุดหงิดขึ้นมามันเผาใจรู้สึกบีบคั้นก็คือเป็นทุกข์ธรรมชาติของใจเรานะพอเจอทุกข์มันก็พยายามที่จะผลักสายออกไปไม่อยากเข้าใกล้ ส่วนความดีใจความครุ่มอก ค, ครุ่มใจนี่มันจิตก็อยากจะเข้าหาไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยเท่าไหร่แต่ที่จริงโทษภัยเลือนตรายก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอาจจะมีและอาจจะมากกว่าความโกรธความหงุดหงิดความเสียใจด้วยซ้ำเพราะว่า พอดีใจแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เพลินแล้วพอเพลินแล้วก็กลายเป็นหลงไปพอหลงแล้วก็อาจจะประมาทนะความเพลินความหลงมันก็ทำไปสู่ความลืมตัวได้ง่ายถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันความดีใจที่มันเกิดขึ้นนะก็อาจจะพาเราไป ทำให้ลืมตัวได้เช่นพอดีใจแล้วก็ไม่ระมัดระวังพูดคุยหยอกล้อกันแรงๆทำให้โกรธมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าทำให้ถลำตัวเข้าไปนะในการเสพการบริโภค ซึ่งบางทีก็เกิดผลร้ายตามมามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะก็ตั้งใจดีนะช่วงเข้าปรรษาก็พยายามงดเหล้าตัวเองนี่เป็นคนติดเหล้าเข้าปรรษาก็พยายามงดเหล้าถือศีลให้ครบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเขาแต่ว่าก็พยายามทาจนได้ก็เรียกว่าต้องอดกลั้น ความอยากมากมันมีความอยากก็พยายามกดข่มมันเอาไว้อันนี้พอบรรษาเขาก็ดีใจเลยนะเหมือนกับว่าเป็นอิสระแล้วไอ้ความดีใจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความลิงโลดขึ้นมาวันแรกที่ออกบรรษานะก็อย่างแรกที่ทำก็คือว่า ไปกินเหล้าไปชดเชยที่ได้อดเหล้ามาสามเดือนก็คงมีเพื่อนชวนด้วยนะให้ความดีใจมทำให้ พ, พลีผามก็ทีดแรกอาจจะคิดว่ากินนิดกินหน่อยก็พอแต่พบ ว, กกว่าห้ามใจไม่อยู่ก็เลยกินเข้าไปเยอะมากกินเข้าไปเยอะมากาเป็นไงเมาพอเมาเรากลับมาบ้านมา ที่สายเดิมก็ออกมาก็คือว่าทำร้ายเมียนะเมียจะพูดไม่ถูกใจก็โกรธทันควันทำร้ายเมียทุบตีจับเมียนี่กดนะกดหน้าบี้กับโต๊ะเลยนะเมียนี่ก็ที่แรกก็ไม่สู้นะแต่ว่าตอนหลังไม่ไหว ตอนที่รู้สึกเจ็บปวดทุกทรมาร์มากจากการทําร้ายของผัวเนี่ยก็สัญชาตญาณเอาตัวรอด น, นี่มันก็แสดงตัวออกมาพยายามเอามือคว้าอะไรก็ได้ที่มันพออยู่ใกล้มือก็บังเอิญไปคว้าได้คราดนะคราดก็สลัดตัวออกมาแล้วก็ใช้คราดเนี่ยฟาดไปที่กลางอกของผัว บอกว่าได้เรื่องทีเดียวนะฟาดอย่างแรงก็ปักติดเลยนะตายหลังจากออกภาษาได้แค่วันเดียวนะอันนี้เนี่ยนะมันก็ต้องโทษตัวสามีด้วยนะที่เรียกว่ามันเพลินมากนะดีใจดีใจลิงโลดจะลืมตัวนะกินเหล้าเนี่ยก็เลยเมาหมาย พอเ ม, มาไมายแล้วก็เลยก่อปัญหานี่ถ้าเกิดว่ายัางไม่ออกพรรษาเลยเลยอย่างดีใจขนาดนี้นะพอออกพรรษาแล้วหรือว่าพอถึงวันใกล้ศึกเนี่ยสำหรับพระใหม่ให้ความดีใจมันก็ยิ่งจะเพิ่มเป็นทวีตรีคูณเลยเพราะว่าพอเนื่งว่าจะได้ไปทำสิ่งที่ชอบเสียทีได้กินของอร่อยนะบางคนก็อาจจะติดหนัง หรือว่าติดเพลงหรือว่าอยากเที่ยวบางคนก็อาจจะนึกถึงเล่าขึ้นมาใอ้ความดีใจนะที่มาลิงโลดเนี่ยมันก็จะเพิ่มจนอาจจะคุมเอาไว้ไม่อยู่ถ้าเราไม่รู้จักดูรู้ทันมันตอนนี้นะก่อนวันออกพันษาพอถึงวันศึกนี้มันจะมันจะครอบงาใจนะ จนลืมตัวได้ง่ายพอพอศึกปุ๊บนี่นะถ้าไม่ได้อยู่วัดตามประเพณีสามวันเนี่ยนะมันก็จะทำตามกิเลสทันทีห้ามใจได้ยากเพราะว่าความดีใจเนี่ยพอดีใจมากๆเลยนะมันมันลืมตัวเกิดความประมาทขึ้นมากิเลสนี่มันก็อาศัยช่องช่วงที่เราดีใจเนี่ยช่วงที่เราหลงโลดนี่แหละนะไอตัวราคะเนี่ย มันก็คอยหาช่องอยู่แล้วนะช่วงที่ดีใจจนหลงนะพอเกิดโมหะไอความดีใจก็ทำให้เกิดโมหะได้นะความลืมตัวลาค่าก็เข้าแทรกก็ทำให้อาทำสิ่งที่เป็นโทษต่ตัวเองได้หรือแม้แต่ดีใจจนลืมตัวแล้วก็ขับรถนะประมาทก็ จ, จะเกิดพลาดพลัง้ง อุบัติเหตุขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบอกว่าความดีใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีภัยบางทีโทษของมันอาจจะมากกว่าความโกรธความเสียใจความหงุดหงิดด้วยซ้ำนะเพราะว่าโกรธนี่เรายพยายามที่จะหาทางดับปัดเป่ามันแต่ดีใจนี่นะเราปล่อยตัวปล่อยใจเต็มที่นะมันก็พาเรานะ เข้ารถเข้าพงได้นั้นการมีสตินะในช่วงนี้ก็สำคัญมากนะถ้าเรารับมือกับความดีใจก่อนวันออกพรรษามไม่ได้เนี่ยพอถึงวันสึกนี่ก็ยิ่งจะคุมไม่อยู่นะที่จริงประเพณีไทยนี่เา ก, ก็มีนะมีวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้ ผีราลมากเมื่อศึกแล้วนะก็คือให้อยู่วัดอยู่สักสามวันนะให้มันเย็นลงสักหน่อยนะให้รู้จักยับยั้งชั่งใจวพราะขณะที่อยู่วัด น, นี่มันจะทําตามกิเลสไม่ได้ก็ต้องยับยั้งชั่งใจไอ้ความดีใจความริงเริ่มก็ค่อยเพลาลงพอครบสามวันออกจากวัดไปก็สติมันก็พอจะคุมอยู่นะเพื่อนชวนไปกินเหล้าก็อาจจะไม่ไปหรืออ่า หรือเพื่อนอชวนไปเที่ยวก็ก็ไม่ใช่ยอมง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักว่าไอความดีใจหรือว่าการที่เราเจอสิ่งที่เป็นอิทธารมเนี่ยอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าพอใจไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในใจเราแต่รวมถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนี่มันก็ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโทษนะพระ เ, เจ้าเคยสอนพระนันทิยะพระนันทิยะนี่ท่านก็เป็นเป็นพระในสมัยพุทธกาลที่สนใจนะการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเคยสอนพระนันทิยะไปตอนหนึ่งว่าผลแห่งความดีเนี่ยยอมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วลหลงไหลเพลิดเพลิน จนเกิดความประมาทนะผลแห่งความดีนี่ก็ได้แก่อะไรบ้างก็ได้ไดแก่ลาบยศสารเสิริญนะทรัพย์สินเงินทองหรือว่ารางวัลนะชื่อเสียงทำความดีแล้วมันก็ย่อมเกิดผลใครๆก็ชอบน ะ, ะลาบยศสุขสารเสริรนะันนี้เขาเรียกอิทธารณม ซึ่งมันก็สามารถจะเป็นผลที่เกิดจากความดีที่ทำก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นพิษนะถ้าไม่พิจารณาคือไม่มีสตนะิก็อาจจะหลงตัวลืมตนได้นะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกมันก็เป็นอันตรายนะอันนี้รวมถึงโชคลาภด้วยความสุขก็เช่นเดียวกันนะความสุข คล้ายๆก็อยากได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกนะพระเจ้าก็บอกว่าไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ชอบทำนะอันนี้เคยพูดไว้แล้วเมื่อทิตที่แล้วแต่ก็อย่าไปเสพจนเพลินกลายเป็นลหลงไหลมัวเมาหรือสยบในความสุขนั้นอันนี้เป็นอันตรายถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เจอทุกอย่างดีสกว่า เจอทุกแล้วเนี่ยแต่ว่าอาศัยทุกขนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจให้ไม่ประมาทอันนี้กลับดีกว่านะดีกว่าเจอสุขแล้วนี่ไปสยบมัวเมาหรือว่าหลงไหลเพลิดเพลินจนลืมตัวเวลาเราเจออะไรที่มันขัดอกขัดใจเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะก็คือว่าแทนที่จะติดขัด ในสิ่งนั้นกลับใช้มันเพื่อขัดใจของเราให้ให้สะอาดเนี่ยดีกว่าขัดใจนี่มันมีสองความหมายนะขัดใจอย่างแรกคือมันเจอเรื่องที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความติดขัดขึ้นมาเป็นทุกข์หลายคนนี่ไม่อยากให้เจอไม่อยากเจอใครมาขัดใจนะเจอใครมาขัดใจเมื่อไหรก่ก็โกรธเมื่อ น, นั้นแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ย เมื่อเจออะไรที่ขัดใจเนี่ยเขาก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าเอามันเนี่ยมาขัดใจให้สะอาดก็คือขัดกิเลสให้หมดไปจากใจเวลาเราเกิดโทร่าขึ้นมาเพราะมีใครมาขัดใจดินฟ้าอากาศมาขัดใจนะหรือว่าเจอคำพูดบางอย่างที่มันขัดใจเนี่ยถ้าคนที่มีสตินะเขาก็จะอ ก็จะรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันเป็นเพราะมีกิเลสมีอุปาทานอยู่คําว่าขัดมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีติดมันติดนะมันติดมันไม่หลุดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเห็นมันมันก็หลุดนะแล้วก็เราสามารถจะเห็นต่อไปว่าอ๋มันเป็นเพราะเรามีกิเลสตัวนี้อยู่เรามีความยึดติดตัวนี้อยู่เราก็ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะ ช่วยขัดกิเลสให้มันออกไปจากใจขัดใจแบบนี้ดีนะขัดใจอย่างประการหลังนี่มันดีเราต้องรู้จักนะเปลี่ยนขัดใจอย่างและให้เป็นขัดใจอย่างหลังอะไรที่มันขัดใจเราคำพูดที่ขัดใจเรานะเราก็มีสติรู้ทันแล้วก็เอามาใช้ขัดกิเลสให้มันออกไปจากใจคาต่อว่าด่าทอมันก็สามารถจะทาให เรามีตัวตนน้อยลงได้นะนะคำตำหนิติเตียนก็สามารถจะช่วยให้เราลดละตัวตนไดนะ้เพราะว่ารู้จักพิจารณานะเอ็นใจนได้ว่าสุขหรือทุกข์นะอิทธารมหรืออนิธารมเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร ถ้าเราเกี่ยวข้องกับอิทธารมหรือความสุขไม่ถูกต้องมันก็เป็นปัญหาถ้าเราเกี่ยวข้องถ้าเราเจออนิจจารมหรือความทุกข์แล้วเราเกี่ยวข้องกับมันถูกต้องเราได้กําไรนะเราได้ประโยชน์เนื่นผลแห่งความผลแห่งความดีนะบางครั้งมันก็แปลเปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังนะเราก็รู้จักพิจารณาให้ดีนะ ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะถ้าเราเกี่ยวข้องถูกเจอทุกก็เป็นกําไรถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกเจอสุขก็กลายเป็นโทษในทางตงเดียวกันนะเวลาเราเรามีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีให้ถูกนะ หรือมีให้เป็นเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเรามีไม่เป็นนะไอ้สิ่งที่เรามีมันก็อาจจะกลายเป็นโทษได้เช่นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยใครๆก็อยากมีกันชื่อเสียงกเกียรติยศแๆก็อยากมีแต่ว่าต้องมีให้เป็นนะก็คือว่าอย่าปล่อยให้มันกลายมาเป็นนายเรา ถ้ามันกลายเป็นนายเราเมื่อไหร่นะเราก็เสียผู้เสียคนได้ง่ายหลายคนเสียผู้เสียคนไปเพราะว่าไปเสียผู้เสียคนเพราะเงินทองเสียผู้เสียคนเพราะชื่อเสียงกติยศเพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากนะอยากได้มากๆมีแล้วก็ยังไม่พออยากได้อีกก็เลยไปโกงเขาหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะ หรือว่าถึงแม้จะไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเกิดศูนหายไปก็เป็นทุกข์บางคนถูกโกงไปนะถูกโกงถูกโกงเงินไปเป็นหมื่นเสียใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนร่างกายผ่ายผอมนะบางคนทำาสายสร้อยหายทาสร้อยคอหาย เป็นของแพงเป็นของเก่าของแก่ก็ตรอมใจเลยนะล้มป่วยเลยแทบจะตายให้ได้อันนี้เรียกว่ามีไม่มีไม่เป็นนะถ้ามีต้องนะถ้ามีมีให้เป็นเนี่ยคือว่าเราใช้มันเราเป็นนายมันแต่ถ้ามีไม่เป็นนะมันกลายเป็นนายเราอนะพอมันหายเราก็ อยากจะตายให้ได้หรือว่าพอมีใครมาเอาไปเราก็แทบจะส่งใจไว้ไม่อยู่อันนี้เรียกว่าสยบมัวเมานะกลายเป็นธาตุของสิ่งนั้นนะชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งอำนาจก็เหมือนกันนะถ้าเรามีให้เป็นนะ เราก็รู้ว่ามันเป็นของที่มีชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่จีรังยั่งยืนถ้าเราเระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรามีไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจังไม่จีรังจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวลามันแปรเปลี่ยนไปหรือว่าสูญหายไปเราก็ไม่ทุกข์นะ เพราะเราทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรานะมันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเมื่อไหร่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มเปล่าเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรามีไม่เป็นละนะก็คือพอมันแปรผันไปพอมันเสื่อมสลายสูญหายไปนี่ทุกเลยนะหรือว่ามีแล้วก็ยังไม่พอใจอยากได้อีก เคยพูดไว้แล้วนะว่าอะไรก็ตามที่เรายึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของเราเนี่ยทันทีเลยนะเรากลายเป็นของมันนะเรายอมตายเพื่อมันได้นะโจรมาป้นเอาเงินเอาสร้อยคอเอาโทรศัพท์มือถือยิ่งหวงแหนมันเท่าไหร่นะก็มีโอกาสจะตายเพราะมันก็คือพอโจรมาป้นบอกให้เอามา เราไม่ยอมให้เราต่อสู้ขัดขืนเพราะเสียดายเพราะหวงแหนมันมากพยายามรักษามันเอาไว้ก็กลายเป็นว่ายอมตายเพื่อมันยอมสละชีวิตเพื่อมันอย่างนี้แหละจ ะ, จะเรียกว่ามันเป็นของเราได้อย่างไรเราต่างหากที่เป็นของมันนะคนเราส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยก็มีความหวังนะความหวังในชีวิตของเราก็มีอยู่2 อ, อย่างคือมีกับเป็นนะมีก็คือมีทรัพสมบัติมี ชื่อเสียงยมีอหนามีบริษัทบริวารมีครอบครัวมีคนรักนะกับอีกอย่างนคือเป็นนะนะเป็นคนใหญ่เป็นเจ้าคนนายคนนะเป็นอธิบดีเป็นประรลัดกระทรวงเป็นเศรษฐีนะคนเราเนี่ยจุดมุ่งหมายในชีตก็มีไม่พ้นสองอย่างคือมีกับเป็น แต่ถ้ามีไม่เป็นแล้วก็เป็นไม่ถูกนะก็แทนที่จะมีความสุขมันกลายเป็นทุกข์ไปไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันไม่ต้องเป็นถึงขั้นว่าเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นทิบดีเลยนะแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเป็นไม่ถูกนี่ก็ทุกข์นะพอเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าเป็นไม่ถูกเป็นเป็นยังไงนะหมายความว่าอย่างไรนะก็เช่นว่าต้องการให้ลูกเนี่ยเชื่อฟัง นะถ้าลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่ยอมทําตามคำสั่งนะก็จะทุกขนะ์ทุกข์นี่มันก็แสาอาการหลายอย่างนะเช่นอาจจะน้อยใจหรือว่าโกรธมีแม่คนหนึ่งเนี่ยนะก็เห็นลูกอายุประมาณสักเริ่มจะวัยรุ่นแล้วชอบเล่นเกมอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์จนกระทั่งไม่หลับไม่นอนการเรียนก็ตกต่า ลูกก็ต่ออ่ะพอแม่ก็ต่อว่าลูกนะให้ให้ให้ทํากันบ้านบ้างอย่าประมุดมัวแต่เล่นนะลูกก็ไม่สนใจพอแม่ว่าลูกก็เถียงเถียงไปเถียงมาลูกก็พอแม่ว่าลูกแหลงๆลูกก็เลยไม่ยอมคุยกับแม่แม่ก็เสียใจมากลูกพยายามอ่ะแม่พยายามคุยกับลูกเท่าไหร่ลูกก็ไม่สนใจประท้วง แม่ก็เสียใจทั้งไม่พอใจแล้วก็อน้อยใจด้วยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งลูกก็ยังไม่คุยกับแม่แม่ก็เลยยื่นคําขาดนะว่าถ้าลูกไม่คุยกับแม่แม่ฆ่าตัวตายนะนี่ต้องการเอาชนะลูกนะยื่นคําขาดด้วยความคิดว่าลูกจะยอมให้ลูกนี่มันก็มีทิฐิมานะก็ไม่ยอมไม่ยอมแม่ไม่ยอมแพ้แม่นี่น้อยใจเสียใจ แล้วทำยังไงให้ความเสียใจความรู้ใจนี่มันท่วมทนใจจนกระทั่งตัดสินใจนะโดดลงมาจากตึกเลยนะฆ่าตัวตายให้ลูกเห็นเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าแม่ น, นี่เป็นแม่ไม่ถูกนะก็คือไปยึดมั่นถือม่กับความเป็นแม่มากนะจนกระทั่งอไม่พอใจนะ เมื่อลูกไม่พูดไม่พูดไม่คุยถ้าเป็นให้ถูกเนี่ยมันก็คงแม่คงจะไม่ทำอย่างนั้นก็คงยังมีความหนักแน่นนะเป็นพ่อไม่ถูกนี่ก็เหมือนกันนะมีพ่อคนหนึ่ง้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าว่าธรรมะธรมรมโมแต่ว่าลูกชายวัยรุ่นนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่เวลาพ่อแนะนำลูกก็ไม่สนใจตอนหลังก็เถียงพ่อ นะพ่อก็เลยว่าลูกแรงๆนะลูกก็เลยไม่คุยกับพ่อนะคล้ายๆกับกรณีเมื่อกรณีเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะพ่อก็ไม่พอใจลูกโดยเพราวันหนึ่งเพราะว่าลูกเนี่ยเอารถของพ่อนี่ขับออกไปหาเพื่อนตอนกลางคืนพ่อไม่พอใจมากโกรธมากก็ตามไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็แปเอารถกลับมาแล้วก็ลาก ลูกกลับมาด้วยมีการทะเลาะ ก, กันคงใช้ถ้อยคําแรงๆนะลูกก็คงจะใช้ถ้อยคําที่พ่อนี่รับได้ยากนะโกรธมากนะลูกไม่ไม่ควรพูดกับพ่ออย่างนั้นโกรธมากคุมไม่อยู่นะปืนอยู่ใกล้นี่ก็ยิงเอาปืนยิงลูกตายเลยพอรู้ว่ตัวเพอตัวเองรู้ว่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันทําใจไม่ได้นะตายแล้วนี่ฉันฆ่าลูกแล้วเนี่ยก็เลย ยิงตัวเองตายตามอันนี้เพราะความยึดมั่นถือมัน่นในความเป็นพ่อนะก็เลยไม่พอใจมากเกิดโทสะที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อลูกเถียงพ่อลูกต่อว่าพ่ออั น, นี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าเป็นไม่ถูกนะมันก็สร้างปัญหาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมัน่นกิเลสมันก็เข้าแทรกได้ จะเป็นไหนแล้วก็ตามเนี่ยถ้ามันมีกิเลสอยู่นะมันก็สามารถจะทําให้เกิดความทุกข์ได้และธรรมดาของอุปาทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ต้องเจอด้วยกิเลสอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจของความเป็นตัวกูของกูตัวกูของกูเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันก็กิเลสก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากเท่านั้นะแลวเวลาเป็นอะไรเนี่ยนะต้องเป็นให้ถูกนะ ก็คือเป็นโดยการรู้เท่าทันว่าไอ้นี่มันสมมุตินะหรือว่ารู้เท่าทันกิเลสนะที่มันมักจะพ่วงติดมากับความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระนี่ก็มันก็มีถ้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันก็มีกิเลสนะเช่นอยากให้คนเคารพอยากให้คนกราบไหว้เรียกด้วยความ เ, าเรียกหรือกล่าวถึงด้วยความเคารพนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เรียกด้วยความเคารพ เพราะเขาอาจจะไม่รู้ประเพณีนะก็ไม่พอใจหรือเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์แล้วไปยึดมั่นในความเป็นอาจารยนะ์พอเขาไม่เรียกตัวว่าเป็นอาจารย์เนี่ยก็เกิดไม่พอใจนะเกิดความขุนเครื่องข้างในอันนี้ก็พอไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงๆโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่สมมุตินะ๋ยวไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเป็นไม่ถูก ก็จะมีความถือตัวถือตน ว, ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแกไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะมองเขาแบบเหยียดเหยียดนะฉนันปฏิบัติเธอไม่ปฏิบัตินะฉันยกมือเธอไม่ยกมือนะแย่มากนะมันส่งสายตาออกมาว่าเธอไม่ได้เรื่องนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ถูกนะหรือบางทีเกิดความโกรธขึ้นมาก็เสียใจว่านักปฏิบัติธรรมเขาไม่โกรธกัน ยอมรับความโกรธในใจตัวเองไม่ได้ก็พยายามปฏิเสธความโกรธในใจมีความอิจฉามีความโลภหรือมีราคะเกิดขึ้นก็ยอมรับไม่ได้ไว้นักปฏิบัติธรรมเขาต้องไม่มีแบบนี้ก็กดข่มเอาไว้หรือบางทีคิดไม่ดีกับพ่อคิดไม่ดีกับแม่นะตำหนิแม่ตําหนิพ่อในใจก็รู้สึกว่านักปฏิบัติธรรมเขาไม่คิดแบบนี้การคิดแบบนี้เป็นบาป ก, ก็พยายามกดข่มไว้ ไม่ยอมรับว่าเนี่ยเรามีความผิดแบบนี้อยู่อันนี้มันก็กลายเป็นการเป็นหลอกตัวเองได้เหมือนกันนะนักปฏิบัติธรรมที่หลอกตัวเองปฏิเสธความจริงของตัวเองนี่ก็มีเยอะอันนี้พราะอะไรเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในความเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่บางที่มันก็เป็นแค่สมมุตินะมนุษย์เราเนี่ยมันติดสมมุติมากเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะอาหารที่เราเคี้ยวนะอร่อยนะจะเป็นส้มตำไก่ย่าง นะเคี้ยวอร่อยนะแต่พอเราคายออกมาใส่จานเนี่ยถามว่าถ้าจะเคี่ยวตักใส่ปากเข้าไปใหม่เนี่ยจะกล้าตักใส่ปากเข้าไปไหมนะส่วนใหญ่ไม่กล้านะเพราะอะไรเพราะเห็นว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นขยะแล้วแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ยังเป็นอาหารอยู่นะมันก็ยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่า ตอนที่มาอยู่ในปากเราเราเรียกว่าอาหารแต่พอออกจากปากเราเรียกว่าขยะที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสมมุติเนี่ยมันต่างกันพอเราติดสมมุติเข้าเราก็เลยไม่เอาละนะอาหารที่คายออกมาใส่จานเนี่ยฉันไม่ตักใส่ปากแล้วขยะขยะแยงทางดัที่เมื่อกี้นี้ยังอร่อยอยู่เลยนี่ติดสมมุตินะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราติดสมมุติมากความเป็นนั่นเป็นนี่ก็สมมุตินะแต่ไม่ใช่ว่าพอเป็นสมมุติแล้วนี่เราจะทิ้งมันละทิ้งหรือว่าปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เราก็ใช้มันนะรู้จักใช้มันให้ถูกต้องนะแต่ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันต้องเข้าใจเรื่องสมมุติให้ดีนะความเป็นนั่นเป็นนี่คือสมมุติมันไม่ใช่ของแท้มันแปลเปลี่ยนไปได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต่อเมื่ออยู่กับลูกแต่พอเจอ ครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นศิษย์นะพอเจอพอเจอพ่อก็กลายเป็นลูกนะเจอฝรั่งก็กลายเป็นคนไทยพอนั่งรถก็กลายเป็นผู้โดยสารนะพอเจอลูกน้องก็กลายเป็นเจ้านายให้ความเป็นนัาเป็นที่มันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันไม่ใช่คงที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ก็เป็นทุกข์นะ พวกเราคงรู้จักหลวงพ่อโตนะงพ่อโตสมณศักดิ์สุดท้ายท่านเนี่ยคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ท่านก็มีกิติศัพท์ในหลายด้านนะกิติศัพท์ด้านการทำพักเครื่องนะแต่ว่ากิติศัพท์ที่เป็นผู้ทรงปัญญานี่เราก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้มีการพูดถึง มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปไปงานบุญนะที่แถวเขตราดบูรณะท่านอยู่วัดระครังวัดระครังนี่ก็อยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาจะไปราช บ, บูรณะมันก็ต้องเข้าไปทางคอาลองมะกอกน้อยเนี่ยนะมันก็ลึกนะปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็เป็นหน้าแลง้งเรือเรือสำปันนะที่ท่านใช้เนี่ยกับลูกศิษย์นะก็ปกรากฏว่าติดนะ น้ำมันตื้นไปต่อไม่ได้นะท่านอุสาเอาพัดยศอย่างดีไปเลยนะสมเด็จเอาพัดยศไปแต่ว่าไปต่อไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยลงจากเรือมาเข็นเรือแต่เข็นก็ยังไม่ได้นะหลวงพ่อโตท่านก็เลยลงมาเข็นด้วยระหว่างที่กำลังเข็นเรือกับลูกศิษย์เนี่ยก็มีคนแถวนั่นมาเห็น ก็ตะโกนกันว่าสมเด็จเข็นเรือโวอยนะเห็นเป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันชื่อขัวโตจะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ในเรือจะแล้วก็ชี้ไปที่พัดที่ท่านตั้งไว้ในเรือคือขนาดท่านเป็นสมเด็จเรียกว่ารองจากสมเด็จพระสังฆราชนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นสมเด็จท่านก็ยังคิดว่าท่านชื่อขัวโ ต, ตตามเดิม ถ้าไม่ได้สำคัญมั่นหมายกับความเป็นสมเด็จ ด, ด้วยนะถ้ายังคงเห็นว่าสมเด็จก็เป็นแค่หัวโขนนะเป็นสิ่งที่ติดมากับพัยดยนศะแต่ว่าไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยฉันคือสมเด็จมนะีคราวหนึ่งนะพระในวัดทะเลาะกันพระหนุมนะ่มเนี่ยทะเลาะกันจนเกือบจะวางมวยแล้วหลวงพ่อต้องก็ไปห้ามนะแต่ว่าเขาไม่ฟังนะอ่ะเพราะกลังโกรธหน้ามืด บอกว่าท่านทำยังไงท่านเข้าไปในกุฏินะแล้วก็ห่มผ้าอย่างดีแล้วก็เอาผานดอกไม้ทูปเทียนนะพอมาถึงก็ท่านก็นั่งยองๆต่อหน้าพระสองรูปนั่นแหละแล้วก็พูดขึ้นมาว่ า, าพ่อเอ๋ยนะพ่อเก่งแท้นะฉันขอฝากเนื้อฝากตัวขอให้พ่อเนี่ยช่วยคุ้มครองฉันด้วยนะ ลูกยอมแพ้แล้วนะพูดอย่างเนี้ยน ะ, ะบอกว่าพระที่ทะเลาะกอันนี่ได้สติเลยจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นจเจ้าอาวาสฉันเป็นสมเด็จนะคือแม้กระทั่งพราลูกวันนี้ท่านก็พร้อมจะกราบจะไหว้ได้ปบอกว่าพอพาสองลูกนั้นได้สติแนละ้วก็มากราบท่านท่านก็กราบตอบนะท่าน ก, กราบตอบ าไม่ใช่ท่านไม่ใช่ปนมือรับนะท่านกราบตอกกบก็กราบไปไปกราบกันมาทั้งสองคนนั่นแหละนะอันนี้เราว่าท่านเป็นสมเด็จแบบเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะพอร่วมเป็นแค่หัวโขนเนี่ยให้นคนเราเนี่ยถ้ามีให้เป็นเป็นให้ถูกเนี่ยนะนันก็จะมีความสุขได้พุทธศาสนาก็ไม่ได้บิบเสียว่าไม่ต้องมีอะไรนะมีได้แต่ว่ามี โดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นมีโดยเป็นนายมันไม่ใช่ให้มันกลายมาเป็นนายเราจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะไม่ใช่หลงตัวลืมตนหรือสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ จ, จนลืมสมมุติไปคอาคำเดียวเพื่เท่านี้นะเอากลับพระ